ช่วงช่วงนี้ฟุ้งซ่านค่ะแต่ว่าสองสวันวันนี้ก็อาจจะมีมีความสุขอะค่ะแต่ก็ก็ก็ดูดูไปอะค่ะก็ดีแล้วมีความสุขก็รูป้ไปคนนี้ะจะกราบเรียนหลวงพ่ออีกค่ะก็คือไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาหกเดือนนะคะเริ่มมีสติขึ้นบ้างเริ่มมีะะไ ง, ไงนะใช้ได้ดี ค, ค่อยฝึกไปนะดีแล้วใช้ได้หลวงจูนมัวไปหน่อย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 แล้วเออเหมือนกับว่าพอเราเจออารมณ์อันนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะเริ่มแบบฝึกหัดใหม่ไหมคะนั่นฟุ้งซ่านลนะเ ร, ริ่มฟุ้งซ่านฟล้นการปฏิบัติมีอันเดียวรู้สภาวะธรรมรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามเนี่ยลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะอะไรปรากฏขึ้นเด่นชัดในขณะ น, นั้นรู้ว่านั้นไม่เลือกนะไม่ใช่มีว่ามีขั้นตอนมากกว่านี้ถ้ามีสติ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 เมืราภาวนาทําอย่างสบายพุโทโธก็พุโทโธสบายๆแค่เดียวก็สงบแนะล้วหลวงพ่อเมื่อก่อนใช้วิธีขี้โกงนะไปอยู่กับหลวงปู่เทศบางทีท่านสอนได้ยินท่านสอนนะว่าบางคนมีเวลาน้อยนะจะทําความสงบกลั้นลมหายใจเนี่ยแล้วจับที่ความรู้สึกนิ่งๆตัวจับไว้นิ่งๆช่วงกลั้นลมหายใจนิ่งได้พักละ แต่ไม่ต้องกลั้นนานหลายๆนาทีนะเดี๋ยวกลายเป็นกลั้นใจตายกลัน้นกลั้นอึบเดียวรู้สึกไม่ลองทําดูนี่ถลำลงไปแล้วให้นิ่งเฉยแต่ไม่ถลำพอละพอละเดี๋ยวต้องหายใจบ้างนะรู้สึกไม่ใจมีแรงขึ้นมาเนี่ยสมถะจริงๆนะเล่นแค่นี้ยังพอเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วเวียนหัวไปหมดแล้วถอนหายใจสักทีหนึ่ง รู้ถึงร่างกายที่ถอนหายใจรู้ถึงจิตใจที่ผ่อนคลายเนี่ยมันง่ายไปหมดนะจับหลักให้แม่นๆหนึ่งถ้ามีความสุขแล้วก็ใจจะสงบอ้าวเบอร์สิบเอดไม่มีความสุขมานานแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อแกล้งอีกหน่อยเอาคนนี้เหรอเอาเอาเชิญเชิญกรับนมัสการหลวงพ่อค่ะ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 เดี๋ยวนี้เขามีเพลงอะไรบ้างหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยใครเคยฟังเพลงต้องถามคนนี้คนนี้นักแต่งเพลงของแกรมมี่นักร้องนักร้องไม่รู้จักทั้งนั้นนักร้องที่เด็กที่สุดที่รู้จักเนี่ยเบิร์ดเขาก็เรียกป๋าเบิร์ดละอย่าบังคับนะทำตัวให้ผ่อนคลายภาวนายอย่างมีความสุขไปอ่าปัม๊ม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 แต่ก่อนเนี่ยเวลาสุกแล้วจะไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าเออสุกสุกอยากสุกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเห็นว่ามันมันสามารถดูได้ด้วยแล้วมันเห็นมันค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างทางั้งทีร่รู้ตอนแรกรู้สึ ก, กว่าเป็นเหตุเดียวกันอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องีอยากจะอะไรงานก็คือเดี๋ยวนี้ดูรู้สึกว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเวลา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 ระวังหน้าลูกมันส่งกันบ้านน่ากลัวมากเลยแม่แทบจะไม่ไหวคือจริงๆอยากกระส่งอะไรเยอะเหมือนก็นค่ะแต่เวลาเจอหลวงพ่อแล้วน evet ึกอะไรไม่ออกไมรือเป็นอะไรนึกไม่ออกก็รู้สึกลงปัจจุบันไปค่ะเจ้าแลมเป็นไงบ้างแรมรู้สึกตอนนี้เข้าช่วงวัยรุ่นจะวุ่นวายกับเพื่อนเยอะมากค่ะเรื่องอะไรข้างนอกๆเยอะแรมมันก็บอกแม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นเยอะ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 ถ้าไม่แก้จะเดินปัญญาต่อไม่ได้ย่าไปพรห ม, มโลกเพราะว่าใจเราชินที่จะนิ่งอให้อีกทียังกลับไปก่อนพรห ม, มโลกหมายถึงว่ามันมันติดสุกใช่ไหมครับมันชอบอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับมันจะไม่ยอมไปไหนมันจะอยู่ตรงนั้นแหละตา ย, ยาไปแล้วไปเป็นเพระพรหมนะสมมุติว่าผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนอไรย่างนี้ครับมัน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 ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้นจะไว้นะเนี่ยประโยคเด่นนะคนนึกว่าพูดเล่นนะโโหกว่าจะกล้าพูดประโยคนี้ไม่ใช่ง่ายนะดีแล้วใจค่อยคลายออกแล้ขอบคุณหลวงพ่อมากครับอดทนนิดนึงนะเรียนกับหลวงพ่อต้องถูกทุบนุม่นอมๆอย่างเงี้ยดีต้องทนทนเอาอ่ะว่าไปโยมาพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะรู้สึกเขาถามกัน เราเราเลยไม่กล้าถามเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะดูๆแล้วไม่รู้เรื่องไม่เป็นไร <ฮะ S 2> ให้รู้ใจ<ร>ตัวเองไวสังเกตแม่ใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์บางวันก็เฉยๆ <ฮะ S 2> ให้ดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราะะเป็นสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ฝึกแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านค่ะแล้วถ้าเลวลาเราเราโกรธโกรธก็รู้ว่ามันโกรธเราไม่ดับหรอคะ เราจะเถียงไปทุ่มเจาทุ่าไม่ไม่เอาสิขัานแรกถือศีลไว้ก่อนะนะเพราะฉะนั้นจะโกรธก็ไม่เป็นไรใจมันโกรธไม่ว่ามันนะแต่มือเท้าปากเนี่ยเก็บไว้ก่อนอนะถือศีลไว้ก่อนอเอ้าหนุ่มหลงไปละค่ะ ว, ว่าไงทีนี้ทุกวันก็ให้โยมเดินจงกรมไหมคะเดินสิเรายังมีขาเรายังเดินได้เราก็เดิน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 ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยปละไม่สนใจมันเลยทั้งวันทั้งวันไม่ดูแลเลยไม่ใช่เราเวลามันมีอะไรแปลกๆที่เราเลี้ยงเด็กเด็กมันร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูซิมันเป็นอะไรใจเรามีกิเลสแรงๆขึ้นมาเราก็ย้อนไปดูสติถ้าใจมันยังไม่ได้มีอะไรเราก็ทําอะไรก็เราไปตามหน้าที่ของเราลองจัดการกับจิตใจของเราเมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะไม่ได้บังคับตลอดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่สนใจเลย พอดีพอดีนะเด็กคนนี้จะได้เติบโตขึ้นมาเราเลี้ยงเด็กโตขึ้นมาหลายคนแล้วมาบวชสองคนแล้วลูกชาย <c oughs> มีลูกชายสามคนคนโตก็บวชนอบวชแล้วศึกไปคนที่สองบวชไม่ยอมศึกคนที่สามบวชอีกไม่ยอมศึกอีกก็บางคนก็บอกว่าถ้าลูกบวชแล้วแม่ก็ดีใจปลื้มใจอะไรก็เป็นบางครั้งและคะ่ะ <c oughs> แต่บางครั้งก็คิด <c oughs>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 ยิ้มทีหนึ่งก่อนรู้สึกไมมใจตรงนี้โลภ ก, กว่าใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะอะมีอีกไหมได้อีกสักคนหนึ่งอะให้สองคนนะสองคนนี้นอกจากคนเบอร์สิบแปดะมีความสุขมากเวลานั่งสมาธินะคะเพิ่งมาครั้งแรกฝึกแบบอ น, นาปาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะไปเรียนมาจากไหนใครสอนให้เรียนจาก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 หายใจไปแล้วจิตเกิดปิติก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตไม่สบายเลยก็รู้หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้หายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, งานั้นเอาจิตเป็นตัวตั้งเอาการหายใจเป็นแบ็กกราวด์นะยาอาลมหายใจเป็นตัวตั้งนะ จ, จะกลายเป็นสมถะเอาจิตเป็นตัวตั้งไว้เน<ค>ื่อหายใจไปงี้แหละแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, งานั้นไปเรื่อยๆถึงจะพัฒนาได้หลวงพ่อฝึกอานาปนาสติ22ปีนะ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 ที่จะไปต่ อ, อ, อที่จะพิจารณาไตรลักษ์แต่ว่ามันไตรลักษ์กไม่ได้เอาไวพ้พิจารณาไตรลักษ์เอาไว้รู้เอ า, านะเพราะฉะนั้นกานที่ใจเราเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นันนนน่นแหละสแสดงไตร ล, ลักษ์อยู่เพราะฉะนั้นให้ใจเป็นตัวเอกนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าลมหายใจเป็นแบ็คกล่าวแล้วก็หายใจไปจิตใจเป็นยังไงก็รู้หายใจแล้วไปคิดก็รู้ไปเพ่งก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้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 ที่แปลกปลอมขึ้นมาสดสดร้อนร้อนเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะดีเนี่ยต้อมพาไปให้ตุนสอนให้ก็ได้แบ่งๆกันเอาเอาแถมให้อีกคนหนึ่งอ่ะอยากขอคาแนะนำเหมือนกันนะคะพระาอาจารย์ยังบังคับอยู่เหมือนกันแหละต้ อ, ต อ, ตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแวบหนึ่งดออกไหมค่ะเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆ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 แล้วส่วนใหญ่เป็น ส, สังการิกังจงใจทำขึ้นมาเอง mm hmm. ทำชำนาญมันแค่เป็นอสังการิกังไม่ต้องตั้งใจมันก็แข็งเองอย่างหนุ่มเนี่ยมันจะนิ่งของมันเองด้วยความเคยชินคุณเนี่ยมันจะแข็งเองด้วยความเคยชินงั้นขั้นแรกสุดผ่อนคลายนะผ่อนคลายไปเชิญกลับบ้านไป